เมื่อเราขาดจิติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างจะฆ่าใครก็ได้จะข่มขู่ใครก็ได้จะระราาประววงในสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้จะโกหกใครก็ได้เพราะเราขาดจิติหลวงพ่อได้เปรียบเทียบ ว, ว่าศินข้อที่ห้าคือศินหลังคาโบสหรือหลังคาศาลาถ้าหากว่าโบสหลังนี้ศ า, าลาหลังนี้ไม่มีไม่มีหลังคา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 เมื่อใช้มท่าน้ำไม่หมดต้องคว่มขันถ้าไม่คว่มขันน้ำค้างอยู่ในขันปรับอวบัดทุกฏ์นี่หละฟังโดยที่ลูกหลานวินัยของพระในละเอียดถึงขนาดนั้นนะพระพุทธเจ้าขนาดนิดหน่อยกับบรญจัิวินยนะัยจากนั้นกับพระธรรมมกรถึกในเข้าไปเข้าไปในห้องน้ำพอไปชำระเสร็จแล้วแต่นี่ไม่ได้คว่มขันเห็นไห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 เพราะเราไม่รู้แต่บันนี้เรารู้แล้วถ้าเขาเราทำเข้าไปะจะเป็นอาบัต อ, อ, อันนี้เราบอกว่าท่านก็บอกว่าไม่เป็นอาบัตเพราะว่าท่านอาจารย์ไม่รู้แต่บัด น, นี้ทำไมจะว่าเราเป็นอาบัตแสดงว่าอาจารย์วินยทรเนี่ยพูดสับปรับพูดไม่อยู่กระร่องคอยพูดโกหกนี่แหละอาจารย์วินยทรนเป็นอาบัตปาจิตติภิกษุโกหกที่สุอื่น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 อยู่ต้นไม้สะครอร่มไม้สะค อ, อพอกําลังจะนอนเค็มๆกิ่งไม้สะคอก็เลยหล่นลงมาใส่หัวหมีตกใส่หุกตูกหัวหมีเพราะหมีก็โกรธทําไม้สะคอโอ้ โ, อโหเรากําลังจะนอนหลับๆเนี่ยไม้กิ่งไม้สะคอมันหล่นใส่หัวเราเนี่ยเอาเถอะถ้าข้ามีโอกาสข้าจะโค่นมันอข้าจะโค่นมันไม้สะคอต้อนนี้ไนงะ มีตะ น, น้ำมันผูกอาฆาตแล้วเนี่ยผูกพยาบาทอาฆาตไม้สะคอแหละมันก็เลยเดิ น, ดนต้วมเตี้ยมหนีไปที่อื่นนะพอเดินไปที่อื่นมันก็ไปนอนที่อื่นพอสาสายมาทีนี้มีชาวบ้านเข้าไป เ, าเตรียมเครื่องทัพสัมภาระมีเลื่อยมีหลังวัดมีขวา น, นาถือเข้าไปอาพอไปมีตัว น, นั้ น, น่ะ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 ในช่างเขาก็ตัดไม้ให้ได้ขนาดแล้วก็มาถาใช่ไหมมาถาให้เป็นรูปร่างพอที่จะนําเข้าไปบ้านได้ เ, เท่นี้ก็ลูกขะเทวดาก็จําแรงตัวเป็นมนุษย์ใช่ไหมจำแรงตัวเป็นมนุษย์นนษยถามว่าพวกเธอทั้งหลายทําอะไรมนุษย์ก็บอกว่าทําแอกรถงอนรถเออเอาไปใช้พงแอกรถงอนรถของเรามันมั น, ม, นมันหักแล้ว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 เราจะเห็นนึกความรู้สึกนึกคิดของตนเอง เ, อเราบริกรรมอยู่กับพุทโธพุทโธใจของเราก็จะนิ่งพอจิตใจของเรารวมสงบพอจิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งจะมีความรู้ขึ้นมาและจากนั้นจากนั้นเราก็นําจิตที่ผ่านความสงบไันั้นน่ะนมาพิจารณาการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลพิจารณาอะไรบางทีพิจารณาถึงมรณะเมงเมภ้เวชจิ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 Clicking, รู้ว่าหายใจเข้าคนเข้ามาในอาคารเราก็รู้ว่าคนเข้ามาในอาคารคนออกไปนอกอาคารเรากร็รู้แต่เราไม่ต้องตามคนออกไปและไม่ต้องตามคนเข้ามาในอาคารเพียงแต่ยืนอยู่ข้างประตูคนเข้าคนออกคนเข้าคนออกมีสติอยู่เพียงแค่นั้นล่ะวิธีการกำหนดลมจากนั้นเรามีความพยายามมีความตั้งใจจิตใจใจจากนั้นใจของเราจะรวมสงบได้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 ใจของเรามันเผลอได้มากง่ายเพียงแค่ไหนอย่างไรหายใจเข้าเป็นเลขขี้หายใจออกเป็นเลขคู่ขี้คู่คี้คู่คี้คู่ถ้ามันจะเผลอมันจะเบอเบอรซะก่อนแล้วก็แล้วคู่ะคู่ขีช่ไหมแมันสลับกันแสดงว่าเราเผลอแล้วนะนี่แหละอันนี้ก็คือวิธีการง่า ย, ายๆที่พวกเราจะรู้ว่าของเราจิตใจของเรามันเผลอมากน้อ ย, ยได้ยังไงแค่ไหน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 ยกเมนขึ้นไปแล้วกันนะาวางดอกไม้จันเลยเอาดอกไม้จันขึ้นไปเออโอโหสีกรรมเนอะข้าไปจาเจ้าได้ล่วงเกินท่านด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอท่านโปรดอโหสิกรรมให้ข้าไปจาเจ้าท่านก็เหมือนกันได้ล่วงละเมิดล่วงเกินข้าไปเจา้าสิ่งใดก็ตามข้าไปเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้กับท่านขอให้ท่านไปดีเถอะนะโอ้โหสิกรรมที่เมน